ก็เป็นธรรมเนียมแหละ <c oughs> การฟังเทศฟังธรรมถ้าพวกเราไม่มีการฟังเทศฟังธรรมดูเหมือนกับาศารนธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> ไม่ถูกขับเคลื่อน <c oughs> มันจะไม่ถูกขับเคลื่อนไปเลยแหละที่พ ร, ออรอะอุตสาสแวงหามาด้วยบุญญาบารมีสร้างมา ก, กี่กับการกี่ภุเรชา อุตสาม์มาบอกมาสอนฝากฟั ง, ฟงไว้กับพวกเราถ้าพวกเราไม่มีการฟังด้วยไม่มีการศึกษาด้วยเป็นหมันเลสอนของพุทติย่างเป็นหมันพวกเราเป็นชาวพุทธพวกเราเป็นชาวพุทธแต่ถ้าหากเราไม่ศึกษาด้วยไม่เอามาประพฤติตามปฏิบัติตามด้วยพวกเราเป็นหมันคำว่าเป็นหมันคือไม่มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลย เพราะฉะนั้นการที่เรามีเทศมีธรรมนี้มันเป็นการขับเคลื่อนศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเมื่อครูบาอาจารย์รุ่นรุ่นเราเกิดต้นต่อมาตั้งแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มันหลวงปู่สิงห์หลวงปู่มหาปิ่นเนี่ยมาถึงยุคถึงคราวของหลวงปู่วัตตะเราเนี่ยเราก็มีการขับเคลื่อนกันอยู่อย่างนี้แหละครูบาอาจารย์รุ่นไหนถ้าก็มีการขับเคลื่อน ทั้งสายบ้านทั้งสายป่านะทั้งสายบ้านทั้งสายป่าเราก็มีการขับเรื่อนนั่งฟังเงียบนั่งฟังเงียบเงียบนั่งฟังแล้วก็นั่งภาวนาด้วยอาเข้าที่ภาวนาเข้าที่ภาวนาบอกเด็กให้เขาภาวนาด้วยนะย่ายเขามีเสียง <c oughs> เอานั่งรลับตาภาวนา เพราะว่าการที่เราตั้งใจนั่งฟังแล้วก็ภาวนาฟังไปด้วยมันได้ประโยชน์นะอย่าเล่นมือถืออย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นนั่งฟังเทศนั่งฟังธรรม <c oughs> มาให้ได้ประโยชน์ด้วยกันอย่าเล่นอย่าเล่น <c oughs> อ <c oughs> เด็กอย่าให้ <c oughs> เด็กมีเสียงด้วยเพราะเสียงรบกวนผู้ใหญ่ <c oughs> อ <c oughs> เพราะความสงบความเงียบความสงบนั้นนะมันชวนให้เรานึกชวนให้เราคิดนึกคิดย้อนมาที่จิตคือผู้รู้ผู้ตัวเองปกติมันจะส่งออกนอกไปทั้งหมดเลยส่งไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดความสงบปั๊บมันชวนให้เราย้อนมาดูตัวเอง เพราะฉะนั้นหลักของความสงบกับหลักพิจารณาหาเหตุผลต้นต่อจึงเป็นหลักเป็นประธานที่ยิ่งใหญ่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดตำหลักก็คือสมถะวิปัสนามาตรงนี้ <c oughs> ยังอื่นพอทำเนา <c oughs> พวกเราก็อยู่กันล้วก็ทำกันมาตลอดทานเอย่ยรักษาศีลเอย่ยแต่การภาวนาเนี่ยมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนขึ้นไปอีก เราอย่าไปพอใจแค่ให้ทานยำตอะ ก, กับแค่ให้ทานท่านพิวะให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาสิมหนึ่งครั้งไม่ได้รักษาสิมมาร้อยครั้งสู้ตั้งใจภาหนาใจสงบแปบ๊บเดียวก็ไม่ได้ตั้งใจภาหนาใจสงบเฉยๆไม่เกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญาร้อยครั้งสู้รเราพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นกิริยาการเคลื่อนไหวของตัณหาในหัวใจของเราแวบเดียวไม่ได้เท่าฟ้าแรกเลยสู้ไม่ได้เรามาคิดอยูที่ท่านเทียบกันเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยทําไมผลอา น, นิสงส์อะไรยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้น mm. เรื่องฟังอา น, นิสงส์พวกเราก็ฟังกันมามากมายทําบุญอย่งงางนั้นได้ผลอย่งงางนั้นทําบุญอย่งางนั้นได้ผลอย่างงาั้นทําบุญขั้นวัดถูกทานมันก็ให้ผลแค่วัดถูกทาน วัตถุทานวัตถุทานที่สูงที่สุดก็คือวิหารทานเหมือนอย่างที่โบรารคมศาลาเนี่ยวิหารทานศาลาสะพานวิหารกระต๊อบกระแตที่อยู่ที่อาศัยอยู่ในวัดรวมลงเป็นวิหารฐานสะพานก็ถือว่าเป็นต้นต่อของการตั้งใจพระพุทธปฏิบัติเพื่อยกฐานะของตัวเอง เป็นปฏิปทาการดําเนินของพระอินทร์นะนะการสร้างถนนนทางการสร้างสะพานการสร้างศาลาการสร้างสวนสาธารณะสิ่งเหล่านี้มีผลมีอนิสง์ทั้งนั้นแหละแต่ก็ให้ผลให้ออนิสงส์แค่กามาพายจรรู้จักไหมกามาพายจรทําระแล้วให้เราเรามาบันฑิตโลกมนุษย์ สูงจากมนุษย์ไปก็เป็นเทวดาเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นอยู่ในคา ม, มาพายจอนอย่างสเสวยกามอย่างบริโภคกามในเรื่องของสมถะเรื่องของวิปัสสนาทําให้เรามีพบภูมิที่ละเอียดลึกขึ้นไปอีกนูน่นขั้นรูปประพรมขั้นอรม ป, ปรพรมละเอียดสูงสุดพิจารณาถูกช่างถูกทางเข้าหลักนิจจันทุกขังนัตตาถึงมากถึงผลถึงนิพพานอ่าพูดปุปปา ก, ก็ถึงนิพพานผู้ พุทภาพก็ถึงนิพพานยิ่งอยู่ทุกคนปรารถนาความสุขความเจริญปรารถนาถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานเพราะพวกเราเข็ดลาบในความทุกข์ในกองทุกข์เมื่อตอนหัวข้ามก่อนที่เราจะขึ้นมานี่พวกเราก็น่งมานั่งรำพึงรำพันถึงความทุกข์ถึงกองทุกข์ที่หมู่เพื่อนเราเนี่เจ็บไข้ใดป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเราไปเห็นแล้วว่ามันทุกข์ย า, ากทรมาร์บทรมานขนาดไหนไะ ต้องไปอยู่ในการดูแลอยู่ในที่จํากัดอยู่ตามโรงพยาบาลนอกจากนั้นแล้วก็สารพัดยูกยาค่าดูแลค่ารักษายิ่งพระเราต้องถือศีลไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่สัมผัสไม่ถูกต้องกับผู้หญิงด้วยแล้วอะไรด้วยแล้วก็ไปอยู่ถ้ำกลางงันโอ้ยเป็นเหตุให้การเป็นเหตุให้พิจารณาเกิดเบือ่อเกิดน่ายในพบในชาติของเราของท่านด้วยการทุกท่านทุกคน เราพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้แลนจะทําให้เราเขีดจะทําให้เราลาบพอที่โอกาสพอที่เราจะสร้างโอกาสบึกบึนตัวเองเขี่บมาตั้งใจภาวนาเด็ดขาดได้จริงจังเข้าไปอีกไม่งั้นก็ลอยคออยู่อย่างนั้นแหละตั้งใจให้ทานเถอะตั้งใจให้ทานมากๆตั้งใจรักษาศีลมากๆให้อย่างมากที่สุดให้อย่างสูงสุดให้จนสุดสุดสดเรียบสุดแรงของเราแต่ไม่ได้ตั้งใจภาวนาเลย ได้แค่สวรรค์สมบัติแค่นั้นเองบนสวรรค์สมบัตินั้นมันเป็นที่บริโภคกลามทั้งนั้นแหละคําว่าบริโภคกลามก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นสิ่งที่ชื่นชอบในหัวใจที่เราไปเกี่ยวข้องเราไปผูกพันที่เรียกว่าวัตถุ ก, กาลางบริโภคกามแต่เวลาพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงธรรมะละเอียดลึกเข้าไปอีกท่านบอกว่าบนสวรรค์ น, นั้นยังเป็นโทษอยู่ บนสวรรค์ น, นั้นยังเป็นโทษอยู่โทษของกามบนสวรรค์ น, นั้นคือไปบริโภคกามเต็มที่แหละบริโภคกามเต็มแปร่เสี้ยวหนึ่งของเขาเนี่ยมากกว่าร้อยเท่าพันทวีที่เราบริโภคอยู่ในโลกมนุษย์บนสวรรค์ น, นั่นแหะถึงตรงนั้นก็ตามก็ยังแช่ชุ่มแช่อยู่ในอำนาจของกาบแหละไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดชุ่มแช่อ ย, อยู่ในนั้นและในนั้น ก็มีโทษปนอยู่ในนั้นแหละที่เรียกว่าโทษของของกาอาธีนวะอธีนวะคาถาคือโทษของกาพุทธเจ้าท่านเองพูดถึงอเนส ง, งการออกจากกามทำไงถึงจะออกจากกาไมได้เอาอะไรออกจากกามในหลักท่านก็พูดถึงว่าเอากายออกจากกามเอาใจออกจากกาม ตาราบใดที่เราออกกายออกจากกามยังไม่ได้เอาใจออกจากกามยังไม่ได้เราจะคลานไปตามธรรมะทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าระดับสมถะระดับวิปัสนาไปไปได้ยากโอกาสที่จะไปรู้ไปเห็นปัญญาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไปได้ยากก็ะอะไรเพราะท่านบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกับไม้สดๆัลยแหละไม้สดนั้นมันชุมน่มเลยยางด้วยอ่า ไม้สดด้วยไม้สดมันก็ต้องชุ่มในน้ํานอกจากนั้นแล้วมันก็ชุม่มด้วยยางอีกอเหมือนอย่างพวกเราอยู่บริโภคกามไม่ต่างอะไรกับน้ำมันไม่ต่างอะไรกับไม้สดชุม่มด้วยยางนอกจากนั้นแล้ว่ยังถูกแช่อยู่ในน้ําอีกใจของเราอิม่มชุ่มชุ่มแช่ด้วยอำนาจของกามแล้วเราก็ยังบริโภคกามเหนื่อ บรุษต้องการเอาไฟต้องการเอาไม้ไปเสียเกิดไฟพระพุทธเจ้าทศตระตรัสว่าเหนื่อยเปลา่าเหนื่อยเปลา่าพูดอย่างนี้ถ้าหากเราเป็นผูธบริษัทแล้วเราพิจารณาแล้วอไม่มีช่องออกไม่มีทางออกก็จะทําให้เราท้อ ใ, ใจโอ้ยอุตสาทําบุญให้ทานอุตสาน่อุตสานี้อสารักษาสีแปลกอุตสามานั่งทำบ้ า, บาสวดมนต์นั่งภาวนาอืม ไม่มีผลมีอันณิสงแค่นี้ไปไหนไม่ได้เน็ตเหนื่อยเปล่า เ, เเปล า, า, าเน็ตเหนื่อยเปล่าคำว่าเน็ตเหนื่อยเปล่าในทีนี้หมายความว่าไอ้ไม้สดๆที่เราจะมาสีให้เกิดไฟนั้นอะ่ะมันจะเกิดไฟไม่ได้แต่ปฏิกิริยาที่เอามาสีกันให้เกิดเป็นไฟนั้นอ่าไม้สดๆจะแท้เนี่ยมันก็ย่อมจะตลอกปอกเปลือกออกมาไ ด, มด้เริ่มเบื่อเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งเริ่มอะไรอะไรอะไ ร, ะ อ, ะไรอะไรไปเรื่อยเพราะหลักของเหตุแล้วมันจะไม่ทิ้งผล หลักของผลแล้วมันก็จะไม่ทิ้งเหตุาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาไม่ว่าระดับขั้นฐานขั้นศีลขั้นภาวนาขั้นสมถะขั้นวิปัสนาขอให้เราตั้งอกตั้งใจทําลงไปถือว่าเป็นการลงสร้างเหตุผลก็จะต้องได้มากได้น้อยไปตามนั้นไ ม, ไม่ไม่มีการทําเสียเปล่าที่พุทธเจ้าทั้งสองต ร, รัสว่าเน็ดเหนื่อยเปล่าเน็ยดเหนื่อยเปล่า โอกาสที่จะสีไม้สดๆให้มันออกเป็นเปลวขึ้นมาเลยมันเป็ีนไปไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธกันตรงนี้พวกเราที่ยังมีกายยังไม่ออกจากกามแล้วก็มีใจยังไม่ออกจากกามกายของเราก็ยังเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกามครอบครัวมีหัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีอะไรต่ะงๆท่านถือว่ายังเกี่ยวข้องอยู่ในกาม ใจในเมื่อกายเราเกี่ยวข้องอยู่ในกามใจของเราก็จะผูกพันอยู่แต่เรื่องของกามที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของใจใจของเราสามารถออกจากกามได้ออกจากกามได้ต่อเมื่อเราตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบถึงจะสามารถออกจากกามได้เพราะอารมณ์ของความสงบนั้ น, ม, นมันเป็นอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของธรรมนะ ที่จะทำใจพวกเราให้ได้รับความสงบหรืออย่างพวกเราต้องการเภาหนายใจได้รับความสงบเนี่ยเราจะต้องบริกรรมอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นธรรมเช่นอย่างพุทโธหรือไม่ก็ธรรมโมหรือไม่ก็สังโฆสังโฆพุทโธพุทโธธรมโมธรมโมธรรมโมหรือไม่ก็สังโฆสังโฆนี่จะเรียกว่าอารมณ์ของธรรมเอาคําว่าอารมณ์นี้แหละมาผูกที่จิตมาผูกที่จิต ดัมบจิตของเราผูกมัดด้วยสติด้วยสัมผััญญะให้จิตของเราเนี่ยรับรู้และดัมบีคําว่าพุโทโธอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่กลาดไปจากคําว่าพุโทโธพุธโทโธกับสติกับจิตกลมกลืนไปด้วยกันเน่ในขณะที่จิตของเรากลมกลืนอยู่กับบทธรรมเหล่านี้จิตของเรามันจะไม่เล็ดลอดออกไปที่รูป ที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสเพราะนั้นแหละคือวัตถุ ก, ก ร, รมสิ่งนั้นทั้งหมดอะไรสิ่งที่เป็นอยิยตนะาภาัยนอกทั้งหมดน่ถ้าเรียกว่าเป็นวัตถุ ก, ก ร, รมตราบใดที่เราต้องการภาวนาให้ใจของเราได้รับความสงบสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อความสงบสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อความสงบนะถ้าเราต้องการภาวนาให้ใจได้รับความสงบ ภ า, าวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธรูปแป๊บเข้ามาแน่ถ้าเพื่อเราไม่มีสติรู้ทันเนี่ยมันดึงกันไปแล้วดึงไปใช้งานอีกแล้วธรโมโอธรรมโมทร โ, โ, โมเนี่ยพอสติของเราอ่อนแรงปั๊บแป๊บเข้ามาอีกแล้วดึงจิตของเราไปอีกแล้วแน่ทำไมมันถึงดึงไปเพราะมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีพลังของมันพลังอันนี้ก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ข, ของตันฐานนั่นเอง กามาตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหามันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ที่ใจของเราเราดูมาที่หลักใหญ่ๆท่านพูดเอาไว้ทันพูดถึงรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายของเรานามธรรมคือจิตใจของเรารูปธรรมคือร่างกายของเราเป็นตัวผลนามธรรมคือจิตใจของเราเป็นตัวผลผลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้มาจากเหตุ ท่านทั้งหลายลงย้อนไปดูที่เหตุเหตุก็คือสมุทยัยพุทธิยถาชรงแสดงในหลักของในหลักทำมจากกับภาวนาสูตรหลักนี้เป็นหลักใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจาศาสนธรรมของพุทธเจ้าอุปัตติโผลขึ้นมาตรงนี้สมุทัยก็คืออะไรก็คือตัณหาตัณหามันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราใจของเราเรา ช, ช, ชี้ไปที่ไหนใจของเรา เราก็ชี้มาที่จิตของเราเนี่แหละตรงไหนจิตของเราอยู่ตรงไหนย้อนมาที่ผู้รู้ของเรานี่แหละถ้าเราจะเรียกให้เด็ดขาดอีกอย่างหนึง่งเพื่อสะดวกสบายในการที่เราจะถือเป็นข้อปฏิบัติให้เราคิดว่าจิตของเราก็คือาธาตุรู้ก็คือผู้รู้แท้ที่จริงท่านเรียกอย่างนั้นจริงๆริในบาลีท่านเรียกอย่างนั้นจริ ง, รงๆอย่างที่จันเรียกโซเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณาาธาตุวิญญาณาธาตุก็คือจิตนี่แหละ คือธารู้ถ้ารู้รด้วยเหตุที่ธารู้ของเรานี่แหล ะ, ะมันมาเกี่ยวข้องกับรูปธรรมคือร่างกายของเรามันจําเป็นที่จะต้องออกไปรู้เห็นไหมมันเจาะรู้เอาไว้เห็นไหมมันเ จ, จาะตาเจาะหูเจาะจมูกเจาะลิ้มเจาะกายแล้วมันก็เจาะไปที่ใจเข้ามานั่นนะที่เรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมารมณ์อารมณ์ทั้งหมดนีนน่มันเป็นช่องพ อ, อถ้าพยอีกอย่างหนึ่งว่าทวานทวาน ทวารตาทวารหูทวารจมกูกตานปแปลว่าช่องออกปแปลว่าประตูออกเพราะอะไรสิ่งที่อยู่ภายในนี้คืออะไรคือผู้รู้คือถ้ารู้มันออกมันออกไปอะไรมันออกไปหากินตาออกไปหากินรูปเพราะมันเป็นวิสัยของมันหูออกไปได้ยินเสียงเป็นวิสัยของมันตราบดใดที่เราต้องการความสงบมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีอะไรสัมผัสแทกเข้ามา มันเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราผูกจิตอยู่กับบทของธรรมอารมณ์ของธรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธในขณะที่จิตของเราสงบอยู่กับบทคาว่าพุโทโธพุโทโธตัณหาซึ่งมันเป็นเจ้าเป็นจอมยันหัวใจของเรามันก็สงบมันสงบเพราะอะไรเพราะมันไม่มีช่องที่มันจะแสดงตัวออกมาได้ที่สำคัญที่สุดก็คือจิตของเราเนี่ย สามารถตื่นรู้อยู่กับอารมณ์ของตัวเองได้ครั้งละ1อารมณ์อันนี้สําคัญที่สุดนะจะรู้ชัดเจนอยู่ได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงทร ง, งปลุกให้พวกเราเนี่ยปลุกจิตของเราให้อยู่กับ1อารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เป็นธรรมตราบใดที่เราปลุกจิตจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวในขณะนั้นน่ยปัญหามันแสดงตัวออกมาไม่ได้ เพรเวลามันแสดงออกมาได้ลูกอำนาจให้กับมันทีไรเมื่อไหร่มันก็มาดึงธาตรู้ของเราเนี่ยแหละไปใช้มันก็มาดึงธาตรู้ของเราเนี่ยแหละไปใช้ตัณหาเนี่เราได้มาอย่างไงใครสร้างให้เราใครเอามาฉาบทาให้เราพ่อแมอ่ไม่ใช่บัณฑพาบุตรของเราไม่ใช่เราสร้างเราทํามาด้วยตัวของตัวเราเองท่านก็สร้างของท่านมาเราก็สร้างของเรามา เนื่องจากว่าเรามีธาตุรู้มาคนละกี่กับกันกี่ปุรชาติเราทราบไม่ได้ดอกไม่ใช่เราเพิ่งเกิด อ, อัตภาพสองอัตภาพเนี่ยนะไม่ใช่ว่าชาติเราเพิ่งมีอัตภาพสองอัตภาพไม่มีเกิดมากี่กับกันกี่ปุรชาติเรานับไปได้ดอกถ้าเราระลึกย้อนหลังได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าโอ๊ยปุกเพนิวาสารสุตนะิญาเน่ยระลึกถึงภพชาติเบื้องหลังของพระองค์โอ้ระลึกไปเป็นกับกับเป็นอสงไขก เป็นวัตกรรเป็นสังวัตกรรเป็นวิวัตกรรเป็นสังวัตวิวัตกรพิจารณาย้อนไปเท่าไหร่กับภพชาติเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายนี่ไม่ใช่เราพื่งมีพื่งเปลีนโดยเหตุที่พวกเราโชคดีพวกเราเกิดมามีธาตุรู้มีผู้รู้แต่ถ้าเราไม่มีธาตุรู้มีผู้รู้เช่นอะไรเช่นอย่างก้อนหินก้อนหินมีความหมายในตัวเองไหมต้นเสาเนี่ยมีความหมายในตัวเองไหม วัตถุที่อยู่รอบข้าง ต, ตัวเราเนี่ยแต่ละอย่างและอย่างที่เป็นวัตถุมีความหมายในตัวเองไหมไม่ไ ม, มีแต่เรามีธาตุรู้พรสร่าให้เราหาพัฒนามาตามหลักการอุบัติมาของธาตุรู้ของเรานี่เอง mm hmm. พระเจ้าท่านทรงตั้งต้นไว้ที่อวิชชาวิชานี่อันนี้เป็นหลักนะ เป็นหลักที่ท่านพูดไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทพนะระพุทธเจ้าทรงตั้งเอาไว้ที่หลักหลักไว้ที่อวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้แต่เบื้องหลังมันส่งมาแล้วเราทราบไม่ได้เรารู้ไม่ได้เราจะทดสอบได้ยังไงว่าไอ้ตรงนี้มันผิสูจน์ยังไงมันแทรกเข้ามาได้ยังไงอวิชชาเนี่ยให้เรามากำหนดจดจอดจ อ, ดอยู่อย่างนี้นะ เราตั้งใจบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธในขณะที่เราดำรงสติตื่นโรอยู่นั้นอวิชชาไม่โผล่ขึ้นมาไม่ได้นะในเมื่ออวิชชาโผลมาไม่ได้ตันหามันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ตราบใดอวิชชาโผลมาได้ตันหามันก็โผลมาได้อย่าลืมว่าตันหามันโผลขึ้นมาทีไรเมื่อไรอัดตาตัวตวนมันก็โผลมาพร้อมแต่ด้วยเหตุที่เราดำรกด้วยสติด้วยสัมะจัญ ญ, ญาแข็งแรงมั่นคง วิชาแทรกเข้ามาไม่ได้ตอนนั้นในผู้รู้ของเราเป็นวิชาแปลว่าความรู้มีแต่ผู้รู้ผู้รู้พวกเราเยอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวที่เราให้เขารู้อยู่เนี่ยเช่นอย่างพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่ในขั้นระดับวิตกก็ตามวิจารณ์ก็ตามเช่นอย่างเระดํา ร, ริพุโทโธพุธโทโธนี่เป็นวิตกวิจารนะเระดําริพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นวิตกเป็นวิจารณ์ มีสติกำหนดจดจอต่อเนื่องกันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดอวิชชาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ตราบใดที่สติของเราหย่อนลงไปปั๊บอ้าวิชชาเราหายไปแล้วอวิชชาครอบขึ้นมาทันทีพุทโธหายไปเลยนี่เราเห็นที่เดือดของมันไหมคําว่าอาวิชชาหรือกีเดือดตัณหาที่มันแทรกอยู่ในหัวใจของเรามันมีความสําคัญระดับสติระดับปัญญาของเรา ที่มันจะมาแข่งที่มันจะมาแข่งในการตั้ง อ, อกตั้งใจบำเพ็ญสติบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวิธีการนี้วิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาบอกมาสอนเราให้เราปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรูอยู่เพราะจิตนี้อารมณ์เด่นชัดครั้งละหนึ่งอารมณ์พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ประคองอารมณ์ที่เด่นชัดนี่แหละให้ต่อเนื่อง เช่อย่างพูดโผพูดโทท่านให้ประคองวิตกความตรึกวิชาวิจารณแปลว่าความตรองความประคองเอาอะไรประคองเอาสติประคองเอาสัมปชัญญะประคองเอาความภาคความเพียรประคองเอาความอดความทนประคองประคองให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมประคองให้อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่ใหญ่ต่อเนื่องเป็นอารมณ์ปฏิบดีอยู่ในหัวใจของเรา มันไม่ใช่มันอ่อนแรงโลไปแต่หากมันเป็นไปได้ด้วยการฝึกใครเคยฝึกมามากเคยฝึกมานานคนนั้นก็มีพื้นมีบาบมีฐานใครเริ่มฝึกหรือใครเริ่มทําใหม่ๆมันก็ดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมารั้งกันไปรั้งกันมาเพราะอะไรเพราะผู้รู้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่พื่งมีพื่งเป็นมันเป็นมานานแล้วไม่รู้กี่กลับกี่อาศงไขยกลับมาแล้ว จนมันชินชาทายาชินชาหน้าด้านก็ใช่เลยแหละวิสัยของจิตคือถ้ารู้คือผู้รู้ของเราเนี่ยมันมันชอบสิ่งที่มันเห็นว่าพอใจแล้วมันก็ชอบสิ่งที่เห็นว่าไม่พอใจมันก็ไม่ชอบอคือรักสุขเกลียดทุก ส, ทสิ่งที่มาสัมผัสปั๊บมันทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีความสุขมันก็ติด สัมผัสปั๊บทาให้เกิดความรู้สึกว่ามีความสุขมันก็ติดแล้วมันก็ยึดเกิดความสุขติดแล้วก็ยึดนี่คือที่มาของความโลภมันสะสมตัวมามนุษยตั้งกี่กับกี่การกี่ปุโรหิชาติมาแล้วทีนี้บางสิ่งบางอย่างที่มันไปสัมผัสปั๊บมันไม่มีความสุขมันมีความทุกข์เรายกตัวอย่างเช่นอย่างเราไปสัมผัสร้อนมากเกินไปนี่คือสัมผัสทุกข์ สัมผัเย็นนาวจนเกินไปนี่คือสัมผัสทุกข์หรือสัมผัสสิ่งที่มันขัดเคืองในอารมณ์ภายในใจของเราจะเรียกว่าสัมผัสทุกข์ในเมื่อเราไปสัมผัสทุกข์ภาพมันก็ปัดออกทันทีสัมผัสทุกข์ภาพมันก็ปัดออกทันทีนี่คือวิสัยของใจของผู้หูของเราทั้งสองอย่างนี้แหละคือที่ไปที่มาของความโลภ ก, กับความโกรธความโลภเป็นกิเลสกองหนึ่ง ความโกรธเป็นกิเลสกองหนึ่งในงหัวใจของเราทั้งสองอย่างนี้ยังไม่ได้สุทธิในตัวของตัวมันเองหากไปเป็นไปตามพฤติกรรมของความลุ่มหลงในตัวของตัวเองเราไม่ได้ศึกษาตั้งใจศึกษาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจตาเห็นรูปปั๊บเราไม่ได้ศึกษาแล้ก็ยึดเข้ามาว่าจะชอบใจพอใจแล้วก็ยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาจนเป็นเหตุให้เกิดความโลภ สัพพติตาปั๊บไม่ชอบใจมันก็ผลักออกไปผลักออกไปเน่มันไม่ได้ศึกษาว่ารูปอะไรผลักออกไปเพราะเหตุใดยึดเข้ามาเพราะเหตุใดไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารมณ์ของความนุ่มหลงมันละเอียดนะละเอียดอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยนี่ที่ไปที่มาของความโลภ ก, กับความโกรธและกับความหลงโลภโทสะโมหะ กิเลสตัณหาราคาก็คือสมุนมันทั้งหมดนั่นแหละนี่แหละคือที่ที่จิตเกี่ยวเนื่องมากับจิตของเราคือผู้รู้ของเราแสดงว่าเอา้าผู้รู้ของเราเนี่ยรบัตรมาแล้วเรามีมาแต่มันไม่บริสุทธิ์ในตัวของตัวมันเองมันไม่บริสุทธิ์มันปนเปื้อนมีสิ่งเหล่านี้แหละปนเปื้อนมาด้วยคือพฤติกรรมของมันทั้งหมดเรายังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้อบรม เรายังไม่ได้รบับบมยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วก็ฝึกหัดจริตนิสัยให้ให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาของเราเพราะฉะนั้นมันก็ก่อตัวมันเป็นกลับกันเป็นปุเรชาติมาแล้วจนเป็นเหตให้เกิดกิเลสสามก่อให้เราต้องแก้ยาบ้ากๆเหมือนอย่างที่เราตั้งใจจะแก้อยู่ทุกวันนี่เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ใครสร้างให้เราใครทําให้เราเราสร้างมาเองเราท่านต่างคนต่างสร้างกันมาเอง ไม่มีใครจับใส่ให้เรานี่คือกิเลสนะถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนมากไปกว่านี้คืออะไร ท, ที่เรียกว่ากิเลสหรือตัณหาในหัวใจของเราก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีของใจของผู้รู้พวกเราเองไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นเพราะฉะนั้นาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหน้าที่ที่เราจะต้องชะล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ปรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นั้นเวลาพระญุทธ้าท่านทรงมาบัรเสลงในธรรมาจักรกับปวัฒนสูตรพระองค์จึงทรงสแสดงจึงทรงแสดงให้เรามาพิจรารณาให้มาพิจรารณานะให้พิจารณารูปพิจารณานามเนี่ยเพราะถ้าเราไม่พิจารณารูปเราไม่พิจารณานาม เ, เราก็หลงยึดรูปเราก็หลองยึดนาม โดยเหตุที่เราไม่พิจารณาเราจึงหยนหลงยึดรู้แล้วก็โดยเหตุที่เราไม่พิจารณาเราจึงหลงยึดนามคําว่านามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเองมีนามแท้ที่จริงก็คือเป็นกิริยาอาการของธาตุรู้ของผู้รู้นั่นเองรวมไปแล้วเป็นขันทั้งห้าสรุปลงแล้วก็ขันทั้งห้านี่เลยเป็นกองทุกสรุปขมวดยอดของกองทุกทั้งหลายทั้งปวงก็มารวมอยู่ที่ขันทั้งห้านี่เอง เราดูที่มันพันกันโยรยางเต็มไปหมดนะเกิดขึ้นมาจากตัวของตัวมันเองมันสั่งสมตัวของตัวมันม า, มาเองเวลาเราจะตามแก้เราจะต้องมาตามแก้กันยากพระพุดกเจ้าถ้าพระองค์สร้างบา ร, รมียังไม่เต็มที่โอกาสที่จะโผล่มารู้มาเข้าใจตรงนี้ที่จะเอาธรรมะข้อเท็จจริงมาเปิดเผยให้กับพวกเราไม่มีโอกาสที่จะเปิดเผยขึ้นมาได้เรามาดูอาจารย์ขอพร อ, อุทกดาบทอรดาบทเห็นไหม ได้ทั้งรูปปัสมบาตรทั้งได้ทั้อรูปปัสมาบัตรขมาสมาบัติสมา บ, บัตรก็คือลําดับขั้นของความสงบนั่นเองสงบละเอียดขนาดไหนขั้นไหนระดับไหนก็ตามละเอียดได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาท่านต้องการต้องการความสุขท่านก็เข้ารูปปัสมา บ, บัติหรือแม้กร่งอารูปปัสมา บ, บัตรพอไปลาเข้าไปแล้วมีความสุขมีความสุขมากบรรดาสุขในโลกีทั้งหลายทั้งปวงนี่รูปปัสมบาตรอารูปปัสมบัติ เป็นความสุขที่สูงที่สุดนะเป็นความสุขที่สูงที่สุดแต่ด้วยเหตุที่ท่านไม่ได้บําเพ็ญเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราถ้านก็แก้ไม่ได้หรือไม่ได้ถ้าก็ติดค้างอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมขึ้นมาคิดถึงอาจารย์ของท่านโอ้อาจารย์ของเราเน่ยอ่าภูมิจิตละเอียดมากถ้าเพื่อเราไปบอกเบี่ยงเส้นทางให้พิจารณามาอย่างนี้อย่างนี้นเพื่อจะหันจิตมาตามที่อจะเอารงชี้แนะเท่านั้นเอง เทพยังไม่จบหนึ่งคาถาละเข้าถึงหลักธรรมชาติของของจิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างอย่างโดยเร็วพลันแต่ข็น่าเสียดายเหลือเกินโอ้องค์หนึ่งล่วงไปแล้วเจ็ดวันคือตายซะก่อนมรณะไปัะก่อนโอ้องคหนึ่งล่วงไปแล้วเมื่อคือหนหรือเมื่อเช้านี่เองโอ้เสียดายเหลือเกินพระองค์นําดีตั้งใจว่าจะไปโปรด น, นี้เนี่ยตั้งแต่ตอนตัดสรุปใหม่ๆนะถ้าอยู่พระองค์ไปเทศยังไม่จบหนึ่งคาถาเละอ่า จะได้ตัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัดได้เพื่เดียวตื่นโรูอยู่นี่แต่ด้เหตุที่ท่านมา้นสร้างบารมีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปเรียนจบภายในระยะเวลาสองเดือนสเดือนเท่าน<ส>ั้นเองรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัตรแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้มีบารมีบารมีสัมมาสามัมพุทธะของพระองค์เลยมากระตุ้นเตือนมากระตุ้นเตือนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อาจารย์บอกว่าเรามีความรู้ยังไงเธอก็มีความรู้อย่างนั้นทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์มีความรู้เท่ากันพุทธเจ้าทั้งย้อนมาดูพระไตรปงฎก เ, เราออกมาบําเพ็ญเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์แต่ทำไมเราย้อนไปดูที่ใจของเราอาจารย์ว่าเราเรียนจบแล้วคนะรัาพ้นทุกข์หรือย่างเรายังมีกองทุกข์เต็มแพร่อ ย, อยู่ในหัวใจของเรานะทุกข์ห่วงใยทุกข์วิตกทุกข์กังวลทุกข์วิตกทุกข์กังวลถึงใครถึงพิมพาราหนุนถึงพระเจ้าสุดทศนะ ถึงนางประชาบดีโคตมีถึงพระญาติพระวง์ถึงราชบรณังเห็นไหมร้องห่วงใหญ่ยิตกกังวลถึไม่ใช่ไม่ใช่พระคณะอาจารย์บอกอย่างนั้นแล้วพยายามชวนให้อยู่บําเพ็ญด้วยกันเพื่อจะเป็นช่วยแบ่งเบาการสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างนั้นเถิดแต่พระองค์ก็จําเป็นที่จะต้องไปบําเพ็ญต่อก็อเห็นว่าอย่างมันไม่ใช่ยังไม่ใช่หนทางที่จบนี่คือบารมีของสัมมาสัมพุท ธ, ธามากระตุนต้นเตือน อ, อาจารย์ทั้งสองมันน่าจะไม่มีบร า, มารมีสัมมาสัมพุทธะมากตุ้นเตือนก็ทําให้ท่านยึดติดอยู่อย่างนั้นแหละการที่เรายึดติดรูปปัสมาบัตรรูปปัสมาบัติก็คืออั ต, ตาเต็มแพร่นั่นเองเวลาต้องการความสุขเข้าสู่ความสงบเวลาสงบนั้นมีความสุขมากอยู่ในนั้นอ่ะเวลาออกมาก็เป็นจิตพื้นๆธรรมดาแต่รัศมีแห่งความสงบนั้นมันก็ทําให้ได้รับความชื่อว่ีเยนอ่ะ อะไรทอะไรอยู่ในนั้นเน่ยแต่มันเป็นไฟที่ยังเป็นกรบที่เท่าถูกที่เท่ากรบอยู่นั้นแหละสนามใดที่มีอะไรมาก็คือพระทัมันก็แดงโกรอยู่นั้นแหะเพราะยังไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเห็นภัยของสิ่งเหล่านั้นคือคือของกองรูปกับกองกองนามทางนี้ไม่ได้เห็นพิจารณาเห็นเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเพอระดับชีพภัยไวยชนไปปักนู้นไปเกิดในอรูปรพบน่ย อายุแปดหมืสี่พันกับเมื่อใดจะได้มาปฏิบัติเป็นมนุษย์จะได้บำเพ็ญต่ออีกมนุษไปเสพสุขไปสวยสู่อยบนท่าน่ะซึ่งมีอายุที่ยืนยาวมาก <c oughs> ตราบใดที่เรายังบนเรียนอยู่ในวัฏจักรสงสารเราได้ขั้นนั้นได้ระดับนั้นก็ถือว่าเยี่ยมถือว่าเป็นที่พักริมทางที่เยี่ยมที่สุดเสดิจที่สุดว่างั้นเถอะดีกว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ตอกต่อยทุขย า, ลากลํำบากอดจนเหน็ดเหนื่อย ในการทำมาหากินอะไรแต่อะไ ร, ป, รปัญหานี้สารพัดปัญหานี้สารพัดเก็บไข่ใดป่วยออดออดแอบแ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อเป็นนี่เป็นสิ้โอ้สารพัดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นตราบใดที่เราตายไปแล้วเราไปเป็นเทวดาฉะนั้นชฉะนั้นฉะนั้ น, น, นท่านถือว่าเป็นที่พักริมทางในระหว่างที่เราเดินทางการที่เรายังไม่จบภบจบชาตินะ ท, ท, ท่ถือว่าเราเนี่ยเดินทางเดินทางในวัฏสงสาร คำว่าวัฏฏะสงสารนัคือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดที่ไหนมีแก่เจ็บตายไปเกิดที่ไหนก็มีแก่เจ็บตายมันหมดไปไม่ได้ทําไมมันจึงหมดไปไม่ได้เพราะเยื่อใหยของตัณหาในใจมันมีอยู่มันไม่มีตัวไหนมันไม่มีธรรมะบทไหนที่จะไปตัดสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาเปิดเผยให้กับพวกเราพวกเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเรา ทำจใจสงบในขณะที่เราภาวนาและใจของเราได้รับความสงบนั่นย่อมหมายความว่าตัณหามันสงบมันสงบตัวแต่มันไม่แสดงกิริยดีที่นเราเห็นนะมันสงบตัวอยู่นั่นแหละยิ่งเราได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามยิ่งได้อารไปฌานทั้งสี่เป็นสมบัติแปด้วยแล้วไปเนี่ยท่านบอกว่าโอ้ยมันเหมือนกับก้อนหินดีๆนี่เองไปทับไปทับหญ้าเนี่ย ก้อนหินเวลามันเป็นทับย่าอยู่ตรงไหนย่ามันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงมันก็ถูกก้อนหินทับอารมณ์ของสมถะเหล่านั้นมันทับอยู่ในนั้นความโลภความโกรธทังมันจะสงบเงียบก็เหมือนกับพืชที่ยังมียอดอ่อนอยู่แต่มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะมันถูกหินก้อนหินตัวนั้นทับเอาไว้มันจะโผล่ขึ้นมาที่ใจเพราะใจรับอารมณ์ที่เป็นอธิปดีอยู่คืออารมณ์แห่งธรรมที่เป็นความสงบอยู่ มันจะโล่ขึ้นมาไม่ได้แต่ปไปอาบัตในในพรหมในอรู ป, ปรพรหมชั้นนั้นนั้นเนี่ยมันมีอายุไขท่านั้นปีท่านนั้นปีท่นนั้นปีท่นั้นปีในสุดบมดอายุไขมันกรตกต ก, ตกลงมามันก็เสื่อมเนี่ยมันก็เสื่อมท่านที่ให้เราเจริญใจให้ได้รับความสงบเนี่ยพุทโธพุทโธแล้วประคองไปพุทโธแล้วประคองไป ทำไปจนเชื่องจนฉีดจนจิตของเราในสงบแนวเพื่อแต่กาหนดก็สงบแนวจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวมีปีติมีความสุขปีติกับความสุขนี่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงหัวใจของเราละเอียดเข้าไปเรื่อยเอียดเข้าไปเรื่อยสงบเข้าไปเรื่อยสงบเข้าไปเรื่อยเหลือแต่ความสุขเอียดเข้าไปเรื่อยเหลือแต่อุบเบกขาคือความวางเฉย นี่แค่ขั้นของความสงบนะแค่ขั้นของความสงบความสงบเหล่านี้เป็นพื้นเป็นฐานเป็นบาเป็นฐานเป็นพลังเป็นพลังของใจใจของผู้มีความสงบกับผู้ที่ไม่มีความสงบนีจะต่างกันมากท่านไปเห็นอะไรก็ตามที่เป็นรูปเ อ, อด้ยินเสียงเออด้กลิน่นได้รสได้สัมผัสได้อะไรต่ออะไรก็ตามแต่ผู้รู้ของท่านยังอยู่กับที่ ไม่เหมือนพวกเราที่ไม่มีความสงบนะเราเห็นรูปผู้รู้ของเราไปอยู่กับรูปเป็นหนึ่งเดียวกับรูปนั้นแหละรูปดีก็ไปอยู่กับรูปเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับรูปรูปไม่ดีไม่ชอบใจก็ไปเป็นหนึ่งเดียวกับกับรูปนั่นแหละแต่สำหรับผู้มีความสงบนั้นนะผู้รู้มันอยู่กับที่เนี่ยมันยังไม่ได้เคลื่อนไปโน่นมันชาติวตาไปเห็นเฉยๆท่านนั่นเองมันไม่ได้ไวดัยต่อการที่มันจะวิ่งไปรับอารมณ์ เพราะฉะนั้นเวลาท่านทำได้จนเด็ดขาดจริงๆเหมือนอย่างจิตของพระพุทธเจ้าท่านจึงพูดเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนใบบัวน้ำไม่สามารถจะซึมซับเข้าไปในใบบัวได้เพราะมันมีผิวที่ละเอียดอ่ามันมีชิวเลผิวที่ละเอียดจิตของท่านที่เข้าถึงความสงบก็ตามเข้าถึงปัญญาขั้นละเอียดก็ตามมันไม่สามารถจะซึมซับอารมณ์ไม่สามารถจะซึมซับเข้าไปในนั้นได้นี่ พื้นฐานของความสงบแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สอนแค่นี้ท่านสอนเรื่องของความสงบด้วยท่านสอนอเรื่องปัญญาด้วยหรือถ้าราถ้าเราจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือสมถะแล้วก็วิปัสนาทั้งสมถะทั้งวิปัสนานี่คือวิชาการของพระพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียวในโลกนี้เรื่องของสมถะแล้วก็เรื่องของวิปัสนาลทัทธิอย่างอื่นที่ยามีอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวนี้เขาก็เรียนเบรย์ไปจากเรามากมายเยอะ เหมือนอย่างเดียวนี้เขาเอาไปสอนกันเอาหลักของมหาสติไปสอนเนี่ยมหาสติปัฐานไปสอนจะแล้วไม่บอกว่าเป็นใครเป็นหลักวิชาความรู้ความจริงที่พระพุทธเจ้าของเราเข้าถึงเขาสามารถเปิดสอนไปได้พวกพราบพวกซิกพวกมุสลิมศาสนาทุกๆศาสนาเข้าไปเรียนได้เหมือนกันหมดเพราะศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ามันเป็นหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านทรง ค้นพบตามหลักธรรมชาติที่แท้จริงไม่ได้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาจะเป็นพุทธจะเป็นคริสจะเป็นอิสลามจะเป็นพราหมณ์จะเป็นซิกถ้าไปตั้งใจปฏิบัติตามนั้นละจิตได้รับความสงกจิตได้รับความสุขและสามารถบาเพ็ญจนถึงขั้นพ้นทุกข์ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนเวลาเขาไปเปิดสอนเขาไม่บอกว่าเป็นอะไรเขาบอกแต่หลักการบอกแต่เป็นวิชาการ นี่เขาก็เาไปเปิดเรียนทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้เขาเผยแพร่เข้าไปโดยเท่ า, ากับว่าสอดแทรกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรไปสอนแท้ที่จริงทั้งหมดนี้ก็คือหลักของมหาสติปัฏฐานนั่นเองมหาสติปัฏฐานกับปัญญากับวิปัสสนาอันนี้ก็คือเป็นภาคเดียวกันเป็นภาคเดียวกันสมถะวิปัสสนาหรือความสงบ ก, กับปัญญา วัดป่าเราคุยบายใจท่านชอบเรียกว่าความสงบว่าจิตได้รับความสงบเป็นพื้นมีพื้นเป็นบาตเป็นฐานถ้าใครพิจารณาทางด้านปัญญาทําไมเราจริงต้องพิจารณาก็พิจารณาเพื่อทําลายความหลงนั้นเองก็เหมือนอย่างที่ว่าเราเห็นรูปแล้วเราติดค้างอยู่ในรูปยึดรูปเข้ามารูปที่ดีดๆมไปยึดเข้ามานะทำไมมันถึงยึดเข้ามาเพราะเวลาไปสัมผัสแล้วมันมีความสุข เวลาเรามาสรุปยอดที่แท้จริงไปแล้วมนุษย์เราติดความสุขเราไปดูเถอะเดี๋ยวเรื่เราติดความสุขกับอะไรบ้างความสุขยุมย่มยิ้ ม, ม, มเล็กๆน้อยๆพอเวลาไปสัมผัสปั๊บมันติดมันติดความสุขมันติดเรื่องของความสุขมันติดเร็วมากมีความสุกใจมีความคอยใจทันจิตทันใจก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เขามีอะไรไอ้เท่ามือถือเนี่ยไอ้เท่าฝ่ามือเนี่ย มันมีอะไรถุกกิจถูกใจอยู่ในนั้นทั้งหมดเยา่าว่าผู้ใหญ่เลยเด็กๆยังไม่ได้รู้เดียงสาภาวานะนะแทบยังไม่ได้รู้เดียงสาภาวะเลยเขาไปว า, างเขาเล่นเล่นมันกดเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปแหละตีอยู่นั้นแหละพ่อแม่ไปเอาออกไม่ได้นะร้องพ่อแม่ดึงออกไม่ได้ร้องจะพาลุกไปนี่ก็ร้องจะพาลุกไปนั้นก็นรอ้องอยากนอนเล่นอยู่นั้นคือไปสัมผัสแล้มันพอใจมันมีความสุขใจนี่คือหลักธรรมชาติของผู้รู้ของเรานะ ให้เราฟังและเราย้อนมาที่หัวใจของเราแต่ละคนแต่ละท่านนี่คือต้นต่อที่มาต้นต่อที่มาของความโลภของเราอย่าลืมว่าราคะตัญหาก็คือความโลภที่มันละเอียดลึกเข้าไปในการสัมผัสสัมผัสจักรคุสสัมผัสโสตะสัมผัสคณะสัมผัสสิวหาสัมผัสกายะ ส, สัมผัสซึ่งมันเป็นอายตระทั้งภายในทั้งภายนอกมันไปสัมผัสกันนี่แหละ เกิดอารมณ์เกิดความสุขความสุขอันนี้แหละเราผิดง่ายสุขลงแล้วคือเรารักสุขเราเกลียดทุกข์แต่พระเจ้าท่านพิจารณาอย่างไรถึงจะทิาวะเหล่านี้ได้ท่านเห็นรูปท่านให้พิจารณารูปเห็นรูปแล้วพิจารณารูปเรายึดรูปด้วยเหตุใดคือเหมือนอย่างเรายึดอัตภาพร่างกายของเราว่าเราเป็นกายกายเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเราเป็นสังขารเป็น เราเป็นวิญญาณเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเป็นเราเราเป็นวิญญาวิเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเกิด ค, ความยึดว่าเรามีว่าเราเก่งตัวนี้แหละคือตัวพลังของตัณหามันพาจิตของเรามายึดมากาะ อ, อันเกิดขึ้นจากการลุ่มหลงที่เราขาดสติกรารปัญญามาพิจารณาแต่ที่จริงท่านพิจารณาแล้วสิ่งที่ เป็นฝักฝ่ายตรงกันข้ามให้เราพิจารณาไปพบไปเจอสิลนั้นคือก็คือหลักของไตรลักเพราะจะเป็นรูปก็ตามจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันเป็นกองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารแล้วเนี่ยมันจะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารสิ่งนั้นจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้น สิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารมีไหมยอยู่รอบข้างตัวเราไม่มีมี Secretary มมอะไรบ้างที่ไม่ใช่กองสังขารอยู่รอบข้างตัวเรามีไหม <ส milhões S 1> คำว่าสังขารสัขงขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบตั้งแต่สองอสิ่งเป็นต้นไปท่าเรียกว่ากองสั ง, ง, สงขาร ม, มีอะไรบ้างที่ไม่ใช่สิ่งปรุงสิ่งประกอบ ป, ประกอบอยู่รอบข้างตัวเราต้นสาได้หรืต้นสามันก็ถูกปรุงถูกประกอบมาแล้ว อิดก็เบื้องนี่หนะอมันก็ถูกปรุงถูกประกอบมาแล้วไฟนี่เหนือถูกปรุงถูกประกอบมาแล้วพัดลมนี่เหนอถูกปรุงถูกประกอบมาแล้วย้อนมาที่กายของเรากายของเราก็ถูกปรุงถูกประกอบมาแล้วมันไม่ใช่ของสิ่งเดียวเหมือนอย่างอัตภาพร่างกายของเรามีอะไรบ้างพุทธเจ้าท่านบอกเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเ ป, ommen, เป็นไฟเงี้ยดินน้ํามลมไฟมแต่และอย่างแต่และอย่างมาประกอบกัน รวมเป็นกองสังขารสิ่งที่เป็นกองสังขารจะต้องมีอนิจจังทุกของอางาณัตาเพราะสังขารเหล่านั้นไม่มีสังขารใดแม้หนึ่งเดียวที่จะอยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปสังขารไม่เคยอยู่กับที่สังขารจะไม่อยู่เท่าเดิมสังขารไม่อยู่เท่าเดิมไม่คงที่นั่นแหละทเรียกว่าทุกขันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์นะ เราเนาะมาตรงนี้อันนี้คือทุกคือโทษคือภัยว่ามันที่เราตั้งใจจะย้อนไปดูจะเป็นรูปประาะตามเสียงกลิ่น ร, ประะูปตลอดจนถึงเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนี้เราทําเพื่อทําลายอะไรเพื่อทําลายความโลภในหัวใจของเราเพื่อทําลายความโกรธในหัวใจของเราเราพิจารณาย้อนมาต่า น, นี้เราจะเห็นที่ไปที่มาของตัณหาที่มันพาดดีดดิ้นและมันพันมาในหัวใจของเรากี่กับการกี่โปริชาติมาแล้วเราทราบไม่ได้ นี่คืออำนาจของตัณหาที่มันพันอยู่ในหัวใจของเราถ้าให้เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในช่วงที่เราไม่ได้พิจารณาท่านก็ให้เราบริกรรมให้สงบการสงบนั้นนะคือตัณหาสงบเวลาเราย้อนมาพิจารณาจริ ง, รงๆเข้าไปแล้วตัณหามันรู้มันหายหน้าไปไหนหมดแหละมันเหลือแต่สภาวะธรรมที่เป็นรูปกับรูปนั่นรูปนี้รูปนี้รูปนั้นเราก็ดูเข้าไป แต่มันก็แอบถึงข้างนั้นแหละถ้ า, าละเผลอสาติเผลอปัญญาเผลอสัมผััญญาภาพมันก็สวมรอยปอกยึดปอโอ้กายเราเหมือนอย่างานั่งไปรั่งนั่งไปนั่งไปนั่งไปมันปวดวเราเผลอพับมันไม่ยืดพับโอ้ยปวดหลังหลังเราปวดหลังเท้าหลังเท้าเราปวดเอวเอวเราปวดไหล่ไหล่เราปวดคอคอเรา ร, briefing, ip, ร่างกายเราเจ็บใข้ได้ป่วยร่างกายเราคำว่าเราคาว่าเราเนี่ยมันมีความภาวะความมีความเป็นของตัณหาที่มันแสดงออกมาใ น, ในหัวใจของเราถ้าเราพยายามตั้งใจปฏิบัติตั้งใจย้อนเข้ามาพิจารณาแล้ว เ, เราจะเห็นเห็นกิริยาอาการคำว่าเราคาว่าเรามันมีกิริยาอาการบ อ, อกอยู่ประกายตัณหามันแทรกเข้ามาในหัวใจของเราเราเห็นกิริยาเหล่านี้แหละมันแสดงออกมาที่หัวใจของเรา เราก็หลงเคลิมทําตามอํานาจของมันเท่านั้นเองอ น, นั้นเห็นว่า น, นั้นดีเลยยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาเรื่องของความยึดเข้ามากับการผลักออกไปนี่แหละเราก็มาเป็นทุกข์เป็นโทษมาทะเลาะเบาแวงกันอยู่บนรอบไปนี้มาเรื่อยกจบมาเรู้จักสิ้นเหมือนอย่างเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อย่างปัจจัยสีจะเป็นอาหารจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นงานการอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องการเขาก็ต้องการ ในเมื่อต่างคนต่างต้องการต่างคนก็ต่างต้องแสวงหาต่างคนต่างก็ต้องใช้ปัญญาต่างคนต่างช่วงชิงกันในที่สุดก็ถึงกับขั้นขั้นต้องช่วงต้องชิงกันต้องทะเลาะบอกว้ายื่งแย่งกันนี่นี่มันไปจากอะไรไปจากอำนาจของความโลภ ก, กับความโกรธ ม, มีการฆ่าแกงกันถึงระดับไหนถึงขั้นระดับกองโจรมหาโจรถึงระดับประเทศประเทศ ธ ร, รมนาประเทศยอำนาจธรรมนาถึงมหาอำนาจเห็นไหมเห็นเขาลบลบราฆ่าฟันกันไหมรบราฆ่าฟันกันด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของความโลภ ก, กับความโกรนนี่เองแต่ค่อเคยศึกษารู้ถึงคนเบื้องดึกที่จะยุ่งเหยียดกิเลสของเขาในกำเริบหรือเปล่าไม่เคยที่จะศึกษาเพราะไม่มีหลักการไม่มีวิชาการที่จะรู้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระุทธเจ้าท่านตัดส ร, รู้โลกภิทูรู้ทู ร, ร, รู้แจ้งโลกหมด ดูเทพูติเจ้าของเราสร้างบารมีสี่อสงไขยแสนหาเกเสียอสระหมดเราไปดูร่องรอที่พระอาทรงสร้างเอาไว้บารมีทั้งสินนะทานบารมีทานอุปบาตบรมีทานบารมัตธบรมีไม่ได้การให้ทานของพระองค์เขา พ, พ, พระองค์พยายามให้เพื่อชนะความโลภนะให้ทานวัตถุของนอกกายให้จนหมดสิ่งของมีค่าเท่าไหร่ให้จนหมดยังไม่พอให้อวัยวะเป็นทานยังไม่พอ ให้ชีวิตเป็นทานเห็นดูไหมมีพระพุทธเจ้างสร้างบารมีบารมีทั้ง30ทสาตน่ะทานบารมีทานสินเนธะปัญญาวิยะฐันติสัจอาทิฐานเมตตาเบาิกบารมีทั้ง10เนี่ยพระพุทธเจ้าสร้างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์หมดจดทั้งประเภทหยาบหยาทั้งประเภทกลางกลางประเภทละเอียดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสร้างบารมีมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์สําเร็จบริบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ย พระจิตของพระองค์พระไทยขององค์เป็นแก้วสารพัดนึกสาเร็จได้โดยจิตโดยริษณ์โดยเดชโดยอภิญญาทั้งนั้นพระจิตของพระพุทธเจ้านี่มีความรอบรู้มีความสามารถถึงขนาดนั้นนะทานให้จนชนะความโลภนะให้จนชนะความโลภไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่ให้หมดให้หมดมให้ชาลีให้กันหาสมัยเป็นพระเวสสันดรเห็นไห ให้มัดสีเงี้ยให้ชาให้มา้าให้หมดมีอะไรให้หมดมีอะไ ร, ะไรให้หมดอ่าในที่สุดต้องการเอาอวยุส่วนในของพรองค์ระทัดให้อีกอ่าแม้แต่นายที่สุดต้องการชีวิตให้อีกสมัยพระองค์เป็นกระต่ายนะอ่เป็นพระโพธิสัตว์นั่นแหละไปเสวยชาติเป็นกระต่ายที่เรียกว่าสร ะ, ส ะ, สะบัณฑิตพิยา น, ะ น, อนุอ่าหรือสีก่อไฟเอาไว้ ฤๅษีก่อไฟเอาไว้กระต่ายโดดเข้ากองไฟอุทิศชีวิตให้เป็นอาหารของฤๅษีอยู่ในปา น, นั่นน่ะนะโดดเข้ากองไฟเป็นอาหารของฤๅษีใช้เลยออย่างน้อยร่างกายอันนี้เป็นประโยชน์กับอัตภาพร่างกายของฤๅษีทามาปริโภคได้เรียวไดแรงในกำลังวังชาลูกมันจะเริญสติมาเจริยปัญญานี่คือคืออานาจของการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าทานก็ ทานจนหมดความโลภความโกรธเนี่ยพษษื่อที่ชนะความโกรธสมัยที่ชูชกไปไปขอฉลีกันหานะชูชกไปขอฉลีกันหาเข้าไปตรงช่วงที่นางมัตสีไม่อยู่พอดีนะเข้าไปตรงช่วงที่นางมัตสีไม่อยู่พระองค์ก็เลยดํำดียเออปกติผู้หญิงหรือแม่เนี่ย <c oughs> ถ้าอยู่ไปแล้วนี่เราจะให้ลูกก็ไม่ได้ดอกจะต้องมาขัดขวางเราแน่ๆล่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ตอนที่นางไม่อยู่นี่แหละ <c oughs> ชูโจกเลยไปขอขอฉันกัญหาความหมายคืออยากเอาไปเป็นคนรับใช้บบงนั้นเถอะเราจะว่ามักใหญ่ไฟสูหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่หากช่วยทาให้บา ร, รมีของพระองค์เต็มขึ้นนะพหลังจากให้เป็น1ิไปแล้วนะขุามาทั้งสองก็ไม่อยากไปเนี่ย เลเอาเชือกมามัดมัดทั้งมือมัดทั้งเท้าทั้งตีทั้งล่าทั้งตีทั้งเขียนต่อหน้าพระไปสัดดนะ่นต่อคนนั้นเพราะไปสัดด่นโดนบำเพ็ญบำเพ็ญเพื่อละความโลภเพื่อละความโกรธเนี่ยพี่อามตั้งใจบำเพ็ญถึงขั้นนี้ถึ ง, ถงระดับนี้นะมันอดแว๊กมาไม่ได้นะโดยเหตุที่ชาชกนะี่ยไปตีกุมารทั้งสองเฉพาะหน้าต่อนหน้เหมือนกับเยียบย่ำทำลายหัวใจของพ่ออย่างนั้นเถอะชักประขันขึ้นมายังมีประขันอยู่นะ เราทรงบำเพ็ญอยู่ยังมีพระขันอยู่ชักพระขันออกมาคิดได้ทําไเองว่าเจ้าของหลังสร้างบารมีให้ไปเพื่อสร้างบารมีให้เต็มเก็บพระขันเข้าฝักคืนอยา น, นแค่นั้นเองอูยเสี ย, ยใจเราให้จนเป็นสายเลือดเลยนะเสี ย, ยใจที่เจ้าของลุกอําให้กับความโกรธนี่เห็นไหมเรสร้างบารมีสร้างบารมีเพื่อชนะความโลภกับชนะความโกรธมีใครบอกวุญญาบารมีทั้งหลายเหล่านั้นมันบอกว่านี้แหละ ความโลภนี่เป็นอุปสรรคความโกรดนี่แหละมันเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตพารมีเห็นไหมมีธรามเทียบว่าเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเราก็มีการยึดยึดก็คือติดอ่าพอยึดขึ้นมาปั๊บแสดงว่าเราปล่อยให้ต um. <at ical DON ija> ัญหามันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในหัวใจของเราอัตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมา ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนมันปรากฏอยู่เวลาท่านทั้งหลายเกิดความโกรธขึ้นมาถาาล้องย้อนมาดูจิตของตัวเองเราลองย้อนมาดูนะถ้าท่านพยายามย้อนมาดูอยู่อย่างนี้ท่านจะใกล้ชิดกับธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของท่านทุกระยะทุกเวลาทุกนาชีเลยชีเดียวแหล ะ, ะเวลาความโรคโผล่ขึ้นมาในหัวใจทัน ท, นทันทีเวลาความโกรธเกิดขึ้นมาที่หัวใจทัน ท, นทันที เพราะยานท่านที่ให้พิจารณาสิ่งที่เป็นรูปรูปเหล่านี้มันไม่มีอะไรที่จะคงทนคงที่เมื่อกี้เรากําลังพูดถึงอะไรที่กองสังขารว่ากองสังขารแต่ละกองสังขารน่ะมันจะต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นถ้าไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยตัณหาในหัวใจของเรามันมันจะไม่จํายอมจํำนนแล้วแต่ถ้าหากเราดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปั๊บอันนั้นคือสัจธรรม ที่เราเข้าถึงแก่แท้ของสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันจะได้คือมันจะได้คลายจากการยึดจากการถือสิ่งเหล่านั้นถ้าเราม่พิจารณาถึงขั้นนี้ถึงระดับนีแลนโอกาสที่จะผ่อนคลายไม่มีนะไม่มีหรอกจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นร็อคจะเป็นรูปอื่นหรือจะเป็นรูปวิศภาพผู้ชายผู้หญิงเนี่ย เรามัพิจารณาถึงขั้นนี้เลยโอกาสที่มันจะคืนคลายมันจะคืนคลายไม่ได้เนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าให้พิจารณาถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้เราพูดถึงว่ากองสังขารทั้งหลายมีอนิจจังทุกขังอนัตตา <Yeah. S 1> และสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขามีไหมมีแต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเรา สิ่งเหล่านั้นคือพระจิตที่บริสุทธิ์หรือจิตของพระอาหารหันต์ที่สันชัดได้ล้างได้บริสุทธิ์แล้วจิตบริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เกี่ยวข้องกับความโลภความโกรธอิจฉาทิ่สยพยาบาทันหาราคะคือพระจิตที่ชักล้างได้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าในนั้นไม่มีกองสังขารท่านไม่ได้ว่าสังขาร ท่นเรียกว่าวิสังขารวิสังขารมันเป็นของที่เป็นอื่นไปจากสังขารไม่ใช่กองสังขารนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่มีภพไม่มีภูมิคือไม่มีภพที่จะไปเกิดไม่มีภูมิที่จะไปเกิดและมันจะไม่มีผู้ที่จะไปเกิดไม่มีตัวตนที่จะไปเกิดเราพิจารณาแล้วเราย้อนมาแล้วมันเข้ากับหลักของอนัตตาอนัตตา หน้าตาที่พระองค์ทรงแสดงก็คือโอ้หลักธรรมชาติพิจารณาคืนคลายไปจนเข้ากับหลักของธรรมชาติลคลืนคลายไปตามหลักสภาวะของธรรมชาติแม้แต่ธาตรู้ของเราก็คืนคลายสู่ความบริสุทธิ์หนึ่งเดียวสัตว์รู้อยู่อย่างนั้นแหละไม่มีผู้ที่จะไปพาไปบัตพพบิพบนั้นพบนั้นพบนั้นไม่มีไม่มีพบไม่มีผู้ที่ไปจะไปะเกิดในพบไม่มีเจ้าของ ไม่มีภาวะของผู้ที่ไปจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยคือภาวะของภาวะที่พ้นจากความเป็นกองสังขารที่เรียกว่าวิสังขารไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาพระจิตของพระอาหารที่บริสุทธิ์หมดจดแล้วนั้นจะไม่มีพบจะไม่มีภูมิดํารงตนอยู่ในภาวะอย่างนั้นลตลอดอนันตการโรอยูน่นันตลอดท่านใช้ศัพ์อีกสัหนึ่งว่าประมังสุขังประมังสุขัง นั่นแหละคือความบริสุทธิ์หมดจดจากกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงหาบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยพลัด้วยกำลังด้วยเรี่ยวแรงด้วยคนด้วยอบายด้วยวิธีด้วยความอุปสาหะพยายามภาพเพยายาียรพิจารณาจนเกิดปัญญาเนี่ยเราพิจารณาเกิดปัญญาอย่างนี้แหละเพราะฉนัิธีการเราก็คือพิจารณาให้จิตของเราได้รับความสงบเมื่อสงบแล้วถึงขั้นพิจรารณาทั้งหลายพิจรารณาจนเกิดปัญญา าว่าเกิดปัญญาก็คือเห็นมีสติมีปัญญาอยู่โร่อยู่เฉพาะหน้าเห็นท่านว่าให้เห็นเห็นจักท่าว่าเห็นเห็นจักท่าว่าเห็นอันนี้มันเป็นเรื่องของเวทนานะมันเป็นเรื่องของเวทนาพระเน้เวทนาปริกกะหาสูรเวทนาปริกะหาสูนเนี่ยพระรุติเจ้าท่านทรงสแสดงกับที่ขันักขัปริภาชกนะที่เป็นหลานของพระสาริบุตร แต่ในขณะเดียวกันภาษาที่บุตรตอนนั้นท่านเปลี่ยนภาษาดาบันท่านนั่งพัดให้กับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเวทนาปาริกาสุให้กับทีขะนักขะซึ่งเป็นหลานของภาษาทีบุตรฟังภาษาทีบุตรฟังไปด้วยพัดไปด้วยด้วยมาแสดงทำจุดนี้ภาษาที่บุตรท่านเป็นผู้เลิกดยปัญญายอยู่แล้วะภาษาทีบุตรได้เป็นพระอรหันต์ก่อนทีขะนักขะได้แค่ดวงตาเห็นธรรมท่านเอง ก็แสดงคือเรื่องเวทนาเวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนาเบียดขาวเวทนาแท้ที่จริงเวทนาตัวนี้แหละเป็นศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายทั้งปวงทําไมเราจึงว่าอย่างนั้นเราจะถึงสุขเราก็ถึงตรงนี้เราจะถึงทุกเราก็ถึงตรงนี้เราจิตเราจะได้บุญก็ได้ตรงนี้จิตเราจะได้บาปก็ได้บาปตรงนี้เราจะได้พบภูมิรกเราก็ได้ตรงนี้เราจะได้พบภูมิสวรรค์ก็ได้ตรงนี้ ซึ่งมันเป็นตัวแปลระหว่างความยินดีกับความยินร้ายนี่เอ๊ะเพราะฉะนั้นท่านให้ตามบทที่ท่านให้เราพิจรารณาตามบทที่ท่านให้เราพิจรารณาเช่นอยางพิจารณาเวทนาเนี่ยเช่นอย่างเราก็นั่งเจ็บนั่งกลัวเนี่ยท่านให้เอาสติมากํากับที่จิตของเรากันหมดจะเจาะมาที่เพเวทนาเจาะมาที่เวทนา วเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสติเป็นตัวเป็นผู้ที่ปลุกจิตให้ตื่นรู้รู้ว่ากําลังรับรู้เวทนาเพราะเวทนาสักว่าเวทนาอารมณ์คําว่าเรามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปยึดว่าเราเจ็บเราปวดยึดไม่ได้ถ้าเรานั่งตั้งใจภาวนามาจนถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้เราสามารถนั่งภาวนาได้้ำรุ่งขำค่า เราสามารถทํถามาถึงตรงนี้ได้นั่งภาวนาได้หามผู้หามขั้มเพราะอะไรเราเข้าไปถึงตรงนี้แล้วมันเกิดภาวะมีอยู่นี้เป็นอยู่นี้มันมองเห็นเป็นอื่นไปหมดตัวคู่ที่จะไปะยึดว่าเราเจ็บเราปวดมันไม่มีนั้นหมายพิจารณามาตรงนี้นี่เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีผู้ไปยึดว่าเราเจ็บว่าเราปวดหมายคําว่าตัณหามันไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดอุ ป, ปาทานมันก็ไม่เกิด มันไม่มีอะไรที่จะพาไปยึดอ่าเมื่ออุปาทานไม่เกิดพบที่มันจะไปเกิดมันก็ไม่มีผู้ที่จะไปเกิดใหนพบก็ไม่มีเราไม่ต้องพูดถึงโศกปริเทวทุกขโทมรัสส์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทถ้านเรียงมันดับไว้ให้เราอย่างนี้เราศึกษาด้วยเราก็มาพิจารณาข้อเท็จจริงในหัวใจของเราด้วยเราถึงจะหมดข้อข้องใจหมดข้อสงสัยนี่คือการตั้งใจบำเพ็ญทั้งสมถะ ทั้งที่ศาสนาหรือเราจะเจริญหลักของมาริติเรื่องหลักของมารตินั้นอ่ะมันเป็นขมวดยอดมาทั้งสมถะมาทั้งที่ศาสนาอยู่ในนั้นเหมือนอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตของเราสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์อดพุทโธอย่างเดียวเลยเกนเรื่องของสมถะเราบริกรรมพุทโธด้วยเราย้อนมาดูผูดดำรีมาพุทโธบริกรรมพุทโธด้วยหรืย้อนมาดูผูดดำรีว่า ว่าพุทโธเนี่ยมันเป็นทั้งสมถะมันเป็นทั้งวิปัสนาเราลองย้อนมาดูทางสมถะสามารถสงบระงับดับตัณหาได้ทางวิปัสนาก็สามารถสบระงับดับตัณหาได้งานทั้งหมดที่เราทำเราไม่ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้รู้เห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นต่อของตัณหาเพื่อที่มันจะสงบระงับดับสิ่งลนี้ให้หมดไปจากหัวใจของเรา เพราะสิ่งเนี่ยมันเป็นเยื่อใยภายเราเกิดตายเกิดตายในวัฏสงสารไม่มีจุดจบไม่มีที่จบทําให้เราต้องแบกหามความรุ่มหลงกองทุกอยู่ในภพชาติไม่รู้จบจบมารู้จกสิ้นคืออํานาจของตัณหานี่เองดูไปแล้วเหมือนเหมือนกับมันมีตัวมีตนเป็นตับๆเป็นกองๆองอยู่ในนั้นทันย้อนมาดูที่ใจของเราเราจะเห็นย้อนมาอย่างนี้เราก็จะเห็นเจาะลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะเห็นจะเห็นอํานาจของความยาก ความอยากในใจของเราเราคอยสังเกตก็ได้อยากข้าวอยากาน้ําดูมาที่ใจรัก อ, อยากรักอยา ก, ยา ก, ยากต้องการสิ่งนู้นอยากต้องการสิ่งนี้ด้วยอารมณ์ของความอยากย้อนเข้ามาแล้วเราจะเริ่มเห็นการที่เราเริ่มจับอารมณ์ความอยากในหัวใจของเราเนี่ยมันเป็นระดับมาเริ่มทำความรู้จักกับตัณหาที่มันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเรา อย่าลืมว่าตัญหามันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันพร้อมที่จะทุกอย่างมาเป็นช่องเป็นทางที่มันจะทําให้มันเกิดขึ้นมาได้เช่นอย่างท่าว่าตามันพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาที่ตาพร้อมจะเกิดขึ้นมาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาที่วิญญาณที่เรียกว่าวิญญาณหกแยบดับแยบดับ วิ ญ, ญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้นทางกายทางใจในภาษาบาลีจะเรียกว่าวิญญาณาจักวิญญาณโสตะวิญญาณคณะสิวหาสิวหากายะมโ น, โนมันพร้อมที่จะเกิดกิริยาแค่เดียวขึ้นมาถ้าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความเพียรพระประคองอยู่ตันหาพร้อมที่จะแทรกขึ้นมาทันทีเราจะรู้ที่เกิด ข, ขึ้นมนเกิดตรงนี้รู้ที่ดักขึ้นมาดับตรงนี้ช่องทางของมันมีชรุกรูโปรง5060ช่อง เราจะไปแก้แก้กันได้ยังไงเราจะไปปิดไปกั้นกันได้ยังไงมันจะเป็นช่องไหนก็ตามพอเราเอาสติเอาสัมผัสัญญาเอาความภาคความเพียรของเราไปจ่ออยู่ช่องเดียวรูเดียวเนี่ยอย่างอื่นดับหมดทําไมถึงดับทําไมมันจะไม่ดับเพราะว่าผู้ที่ทํางานคือใจดวงเดียวในเมื่อเรามีสติกํากับจิตเรามีสัมผััญญะกํากับจิต มันมีความเรมีความอดความทนมีสัมปชัญญะมีขวัญติมีความอดมีความทน ก, กับกับธุรกิจของเราอย่างอื่นก็ดับหมดนี่สําคัญที่ใจนะใจดวงเดียวตัวนี้แหละแปรมาเป็นร้อยแปดพันเหน่วใจของเราเพราะเวลาเราเจริญสติเจริญสัมปชัญญะให้เต็มแปรเข้าอยู่นะถึงความสงบตั้หาสงบทีนี้เราเราพิจารณาเห็นที่ไปที่มาเห็นต้นต่อของมัน เห็นต้นต mm. hmm ่อเข้ามันคือเห็นปั๊บกดหยากไม่ได้เนี่ยยึดเข้ามายึดเข้ามาในขณะที่เรากําหนดจดจอเห็นเห็นจับท้าว่าเห็นจริงๆนะพระพายะพะพุทธเจ้าท่านสอนพระภายะนะพระพายะภายะเธอจงเห็นจับท้าว่าเห็นได้ยินจับท้าว่าได้ยินได้สัมผัสได้ลิ้มได้รสได้สัมผัสจับถ้าว่าได้ลิ้มได้รสได้สัมผัส ราพายะ ท, ทำได้อย่างนั้นจริงๆความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดหมายความว่าเวทนาตรงนั้นเนี่ยดับตันหาตรงนั้นได้ระงับดับตันหาตรงนั้นได้ในเมื่อตันหามันดับอุปาทานมัก็ดับเพราะมันก็ดั บ, ดบที่ไปที่มาและความเป็นไปได้เข้ามาที่ไปที่มาตรงนี้และความเป็นไปได้อย่างนี้ให้เราพยายามกาหนดจดจ่อมาดู เห็นเหตุเห็นปัจจัยแค่ส่วนหนึ่งที่ยกมาอธิบายให้ฟังแค่นี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้พิจารณาจะทําให้เราไม่ลุ่มหลงยึดอะไรต่ออะไรเป็นรูปมินิมิตเป็นนู่นเป็นนี้เป็นอะไรต่ออะไรทำให้เราเบลอไปทั้งหมดบางทีก็ยึดไอ้เริเบลอขาดสติขาดสมาธิยั้งขาดเหตุขาดผลอย่างที่สมบัตเราหลงหลงหลงบางทีมีเสียงสว่างปรากฏก็ยึดบางทีจิตสงบมันก็ยึด คนที่เห็นภาพนั้นมาปรากฏไปยึดยึดยึดยึยึดชิดอะไรก็เป็นโทษกับนั้นยึดอะไรก็เป็นโทษกทษับนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาผลของการปฏิบัติธรรมนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาในลำพับาชีประฐานท่านพูดถึงกายถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมคําว่าพิจารณาธรรมน่ะมันพิจารณาได้ทั้งธรรมะที่เป็นอารมณ์ที่ตกผลึกในหัวใจของเราเช่นอย่าง นี่ก้อนห้5ทั้่านถือว่าเป็นธรมรมอารมณ์อริยสัจทั้งสี่ท่านถือว่าเป็นธรมรมอารมณ์ยึดอารมณ์ที่เตียนทมเอาสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์มาจำกัดที่ใจของเราอารมณ์ทั้ง4อย่างนี้แล้วแต่จะถูกกับจิตนิสัยของเราใครถูกจริตนิสัยกับกายกับเปทนากับจิตกับธรรมแต่ละอย่างทุกยาใครเอามากํากับที่จิตของเราแล้วเจริญธรรมเหล่านี้ให้สืบเนื่องไปบางครั้งเราก็สลับ ไปด้วยกันสองขาสามขาก็ได้เหมือนอย่างที่หลวงตาท่านสอนท่านหลวงตาท่านสอนให้กําหนดเวทนาเนี่ยย้อนมาดูที่ใจ<ม>กําหนดที่ใจก็ย้อนไปดูที่เวทนากําหนดดูเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูที่ใจเพราะเวทนากับใจมันคนละอันมันคนละยอย่างกันแต่ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้มันเป็นอันเดียวกันนะนอกจากนั้นแล้วถ้าใคให้แยกอีกย้อนจากใจไปดูกาย ดูกายแล้วก็ย้อนไปดูเวทนาที่มันเกิดตรงกายที่มันเกิดตรงนั้นดูกายแล้วก็ย้อนมาดูเวทนาดูเวทนาแล้วก็ย้อนไปดูกายดูกายแล้วก็ย้อนไปดูจิตดูจิตแล้วก็ย้อนไปดูเวทนาแล้วลองหัดทําลองดูลองหัดทําเราดูการเจริญแบบนี้จะทําให้เรารู้ที่ไปที่มาของตัณหาในขณะที่เราเจริญอยู่นั้นแหละพอเราเผยภาพมันแทรกปุ๊บขึ้นมาันที ยืดอุย้ยเราเจ็บอุย้ยเราปวดขึ้นมาทันทีแล้วรู้กายเราเจ็บปวดกายเราปวดวันนี้อันนี้มันเกิดขึ้นมาเชิงไรเมื่อไรไนั่นหมายความว่าตัณหามาแซกเข้าไปในจิตของเราแล้วเป็นเหตุทําให้เรารู้ว่าจิตของเราเนี่ย อ, นะอยู่โดยเอกเทศปราศจากตัณหาไหมถ้าหากแต่ละขณะเราปราศจากไม่ได้อย่าไปหวังเลยว่าเราจะทําให้ตัณหามันหมดไปจากหัวใจของเราได้ นอกจากเราเริ่มลดเริ่มละแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะจะเริ่มรู้ทันแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละเรื่องแต่ละเร you know? ื่องแต่ละเรื่องจนกว่ามจะลุกลามกินไปจนหมดเรื่องของตัญหานั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของจิตของเรามันเป็นเรื่องของจิตของเราเวลามันเกิดมันเกิดที่จิตมันเป็นกิริยาอาการของจิตมันเป็นสมุทัยที่ไม่มีตัวตนพอเวลาเราแก้ได้แล้วเนี่ย มันหายหน้าปิ้นไปเลยไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยูอยอ่พระพุทธเจ้ายังไม่มาอุปัติพวกเราชุ่มแช่อยู่กับทุกข์อยู่กับสมุทยัยพระพุทธเจ้าไม่มาอุปัตินี่ยนิโรธกัรมยังไม่ปรากฏนะไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเมื่อพระพุทธเจ้ามาอุปัติปุ๊บพระองค์สอนทุกข์แล้วก็สอนสมุทยัย แล้ว น, นิโรธหมายความดับทุกได้แล้วสอนมรคือข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกทั้งสองอย่างนี้สุบลงมาเหลือสองสองหนึ่งเดียวคือเหตุกับผลเท่านั้นเองทุกข์กับสมุทัยก็คือเหตุกับผลนิโรธกับมรค ก, ก็คือเหตุกับผลอันนี้เป็นหลักนะเป็นหลักหลักเหลนี้เป็นหลักที่เราทิ้งไม่ได้เราจะพิจารณาขั้นละเอียดขั้นไหนก็ตามพอเวลาเราหมุนมาที่นี่ปั๊บ มันจะบอกทันทีว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเราต้องการทราบก็ตามไม่ต้องการทราบก็ตามเราจะได้มีเครื่องกากับป้องกันว่าเราอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบของเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนหรือไม่ถ้าเราออกนอกลู่นอกทางเราไม่มีโอกาสที่จะไปถึงไหนแหละนะทุกคือผลสมุทัยคือเหตุแต่เหตุอันนี admitted, appa, <im> ้เป <inizi> ็นเหตุทําให้เกิดทุกทุกคือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย ก็เมือนอย่างที่พรรามเบกองทุกอยู่เดือนนี้ทุกหรือไม่ทุกทุกแก่ทุกเก็บทุกตายแก่ทุกหรือไม่ทุกลองดูทีลุกก็โวยนั่งก็โวยอยู่โวยทุกไข้ทุกป่วยลองดูทีโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนี่ทุกหรือไม่ทุกลองดูทีเขาออกเขาออกโรงพยาบาลอยู่นั้นแหละไม่รู้จบจบทุกหรือไม่ทุกโอ้ทำไมทุกยากลําบากแล้วเกิดเนอสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเกิดเบื่อหน่ายในภพในชาติของเราทุกทุกเป็นผลแต่สมุทัยเป็นเหตุ เหตุคืออะไรตัณหาคือความอยากเนหมัพ้นไม้นไปจากอำนาจของความอยากไหมคือพุทธเจ้าท่านทรงมาบอกมันมีนิโรธแล้วก็มีมรรคตามมานะสิสมาธิปัญญาเนี่ยในหลักธรรมจักรที่พระองค์ทรงมาแสดงมัตฉิมาปฏิปทานเสมาทิฏิสมาสังกโปสมาวายาสมกัมมันตัวสมาชิวสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิสรุปมาแล้วก็คือหลักของศิญ ของสมาธิของปัญญาแต่พวกเราพันลวงเข้าไปทานศีล ส, สมาธิปัญญาพวกเราทุกวันนี้พวกเราอยู่แล้วทาตั้งใจทําได้ครบวงจรพระครูบายจางของเราสอนไม่ใช่ท่านสอนให้เราแค่เจริญสมาธิอย่างเดียวนอกากสอนให้เราเจริญปัญญาด้วยอนอกจากนั้นท่านสอนให้เราให้ทานสอนให้เราตั้งใจคักษาศีลสอนให้เราเจริญสมาธิสอนให้เราเจริญปัญญา ครบวงจรอยู่นี้พวกเราไม่เสียท่าเสียทีที่เราได้อบัติมาพบพระพุทธศาสนาไ ด, ได้พบได้เจอคำบอกคาสอนอที่ความีความละเอียดสุขุมลุ่มลึกจ้าไปถึงข้อศัพท์จะทำที่แท้จริงว่าอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราสงบระดับตันหาได้ตรงนี้แหละตรงเรื่องของเวทนานี่ยแหละเวทนาความยินดีความกินร้ายยินดีไม่เกิดคือเวทนาไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดคือเวทนาไม่เกิดเวทนาไม่เกิดนะคือตันหามันไม่พายุดมันไม่พายุดถ้าตันหาพายุดปั๊บมันจะเกิดยินดีตันหาพายุดปั๊บมันจะเกิดริ้นร้ายข้อลำเอียงของมันก็คือ สิ่งดีมันก็ยินดีสิง่งร้ายมันก็ยินร้ายอันนั้นคือลักษณะภาวะจิตของเราที่มันอมแพร่ไปด้วยอำนาจของตัณหาแต่พราะว่ารู้สักเท่าไหร่เห็นคําว่ารู้สักคำว่ารู้รไม่ใช่ว่ามันรู้ว่ารูปนั้นรูปนี้รูปดีรูปไม่ดีรูปงามรูปไม่รู้หมดแต่มันไม่ได้ยึดเข้ามาในหัวใจมัออ น, น, ม น, นไม่ได้ยึดเข้ามารู้แล้วก็ปล่อยรู้เห็นแล้วปล่อยรู้อลไรก็ปล่อยในขณะที่ปล่อย จิตผู้รู้ของเราก็โโอยู่เมื่อเดิมกันนี่แหละตัณหามันไม่เกิดในเมื่อตัณหามันไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดพบก็ไม่เกิดชาติคือความเกิดที่จะไปเกิดมันก็ไม่มีอะไรจะไปเกิดเพราะมันไม่มีตัวไปเกิดนี่คือไอ้ความเกิดเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายพวกเรากลัวแต่ความแก่ความเจ็บและก็ความตายแต่ไม่กลัวความเกิด พระพุทธเจ้าท่านมีความสามารถรู้และสงบระงับดับความเกิดได้การระงับดับความเกิดของพระองค์ได้นั้นนคือสงบระงับดับกองสังขางรเต ส, สร้างอูปสมสุโขสงบระงับดับกองสังขารได้ถึงบรมสุขนี่พระพุทธเจ้าท่านถึงบรมสุขพระอรหันตอาหา ร, าห ร, รครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่เข้าไปแล้วท่านพ้นไปแล้วท่านเข้าถึงบรมสุขท่านขยับมาตรงนี้ศึกษาตรงนี้ ตั้งใจถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามตรงนี้พวกเราก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมไปสังสมไปวันละมากละน้อยเรื่อยเร็วเรงไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวทเห็นไฟจริงจเข้าเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยเอาแรกเลยชาตินี้ตั้งชาติแรกตั้งใจปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยคำว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันในนี้หมายความว่าตั้งใจทำอย่างนี้จนตายไม่ยอมเปลี่ยนอืจะไปไหนจะไปไหนอ่า หรเมื่อคนอื่นเขาเดินธรรมดาธรรมดาไปแต่เราวิ่งในขณะเดียวกันคนอื่นอาจจะวิ่ง ย, ย, ย, ย, ยาะเยาะเยะอาจจะวิ่งหอ่อเร็วกว่านั้นผู้ที่ตั้ง อ, อุดตั้งใจมากก็จะเข้าถึงมากก็จะเข้าถึงได้เร็วเหมือนอย่างระยะทางที่เราออกเดินทาง น, นั่นเองบางคนเนี่ยยังไม่รู้เส้นทางที่จะไปเลยโ อ, โอ้สักนะของพระเจ้าแปดมื่สี่พันพระธรรมขันธ์เรามายืนอยู่ท่ามกลาง ไปทางไหนไปทางไหนท่านบอกทางนี้มักคนนิพานอยู่ทางนี้ทางนี้เราก็ไปรีรีข้างขวาอยู่นั่นแหละหันหน้าหันหลังหันหลังหันหน้าหันไปหันมาหลงเทศศบาสเนีเลยหันหลังให้นิพานที่เราทรงชี้นั่นแหะเพราะหันหลังให้ป้าก้าเข้าไปแล้วก้าวนึงก้าวสก้าวสามก้ยิ่งห่างเข้าไปแล้วห่างเข้าไปแล้วห่างเข้าไปแล้วเพราะอะไรเพราะหันหลังผิดสำคัญมั่นหมายมาอยู่ข้างหน้าเราแต่จริงหันหลังให้เพราะอะไรเพราะหลงรีดีขวางขวานั่นเองศึกษาดี แม้แต่ข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งใจปฏิบัติขยับมาตรงนี้เราไปเทียบกับคำสอนของครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามท่านจะต้องผ่านมาตรงนี้พระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกทุกทุกองท่านต้องผ่านมาตรงนี้เราอย่าทิ้งหลักถ้าเราทิ้งหลักเนี่ยเราจะเป็นสปะไปไม่ถึงไหนดอกอย้ำจับให้มัน่นจับได้หนึ่งเดียวจับได้นิดหน่อยเดี๋ยวมันจะก็กระจายไปของมันเอง สิ่ล่านี้เป็นเรื่องสําคัญนะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องพูดถึงเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องอภินญาเรื่องอะไรอะไรเลยไม่ต้องพูดถึงแต่หากใครมีจริตใครมีนิสยัยหากมันเป็นเองใครไม่มีขยับมาตรงนี้มีฤทธิ์มีเดียดมีอภินยาแต่ถ้าไม่ไม่ขยับมาตรงนี้ตกค้างไปไม่ได้แต่ถ้าทิ้งหลักตรงนี้ไปไม่ได้เพราะอันนี้คือประตูคือทางเดียวหวนทางเดียวที่จะเล็ดลอดออกอไปได้นี่ mm. เอโก เอเกากยโนอยังพิเคมัคโกนี่คือทางปฏิบัติอันเดียวไปเพื่อความเป็นเอกบรุษผู้เดียวเนี่ยไปเพื่อมัชเพื่อผลเพื่อพระนิพพานวันนี้เรามีโอกาสมาพูดธรรมะที่วัดบ้านวัดป่าบ้านคำยางคำยางใช่ไหมบังยางครับโอ้วัดป่าบ้านวังยาง ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งมานี่แหละอ า, อาจารย์สุภาพก็บวชที่หลวงพ่อนั่นแหละเดี๋ยวนี้เพื่อนได้เทไล่มารู้น่ะสิบกว่าพันษาแล้วหละบวชแล้วเพ่อนก็ดูมันจะจำมันษาอยู่หนึ่งภาษามั้งกหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยย้อนเข้าไปอีกเลยเพื่อนมีนิสัยดูแลพ่อตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะเราเห็นเห็นโยมคนนี้เห็นพระขาวองค์นี้ไปไหน พาพ่อไปไปไหนก็พาพ่อไปไปไหนก็พาพ่อไปตอนหลังมาอเพื่อะพวกไปที่วัดออยากบวชเราก็เลยตอนนั้นไปบวชบวชที่ที่วัดนั่นแหละบวชที่วัดอื่นจะดอกไปฝึกฝนอบรมอยู่ตรงนั้นอยู่ได้พรรษาหนึ่งตอนต่อมาอีกได้ยินมาพ่อเพื่อนบวชอีกด้วยเออเพื่อนดีมีนิสัยอุปถัมภะารรมบำรุงดุลเเรพ่ออยู่จนวาระสุดท้ายพ่อเพื่อนอีกก็มีนิสัยนะอ่า มอบร่างกายให้เป็นอาจา์ใหญ่ของโรมาศีนคาินเนี่ยเมื่อกี้เพื่นก็เล่าให้ฟังว่าได้ทำบุญใหญ่ไปพร้อมกับหลวงพอ่อตูเนี่ยหลวงพ่อคุณปริปรปรปรสุโทโธเนี่ยเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่29่ก้ามกราเนี่ยี่ิบเก้ามกราเขาทำพิธีที่ไหนที่เมาล์ออไรนี่แหละวันนั้นานาหลวงพ่อคุณหลวงพ่อก็ได้ไปอยู่ ได้ไปแต่ว่าเขาอยู่จนถึงเวลาเผาเวลาอะไรเราอยู่ไม่ได้วันนั้นงานบ้านตาก็มีงานต้องรีบกลับบ้านตา ด, ด้วยนี่ก็อยู่ดูดูแลพ่อพ่ออยู่ได้พรรษา 4, สาี่พรรษาหรือ5้ารรษาเนี่ยอาจารย์สุภาพนะเป็นผู้หนึ่งเดียวที่ดูแลวัฒธรรมทาพ่อของตัวเองอพ่อก็อายุตั้งแปดสิบกว่าละมั้ง อ, อยู่จนตายคาผ้าเหลืองเรา มีกายออกจากกามออกมาอยู่ป่านี้เท่ากับเราเอากายออกจากกามเมื่อเราเอากายออกมาจากกามแล้วเรามาตั้งใจเผาหนายใจของเราได้รับความสงบคือเอาใจออกจากกามด้วยเราตั้งใจบําเพ็ญสมถะสมถะก็เป็นไปเราตั้งใจเจริญวิปัสนาคือพิจารณาทัน์ปัญญาปัญญาก็เป็นไป ด้วยเหตุที่เราเออกกายออกจากกรรมเอาใจออกจากกรรมพวกเราอยู่บ้านอยู่ช่องเราไม่ได้ออกกายออกจากการมางเราอยู่บ้านรักษาศีลห้านั่นแหละอยู่บ้านคลองเรือ น, นั่นแหละแต่เราเข้าวัดเข้าวาเป็นการเป็นคราวตั้งใจเผาหนาใจได้รับความสงบตราบใดใจของเราได้รับความสงบใจของเราก็จะเริ่มออกจากกรรมจะเริ่มเห็นทุกเห็นโทษของกรรมถ้าไม่เห็นทุกเห็นโทษ อย่างแท้จริงแล้วออกไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไปติดค้างอยู่บนสวรรค์พระพุทธเจ้าท้ริงจึงสีเลยโทษโทษโทษโทษพระองค์เลยชี้อนิสงส์การออกจากกามอานิสงส์การออกจากกามคืออันนี้แหละเนี่ยอ่าถ้าให้เราหันมาพิจารณาเห็นหลักอันนี้อางทุกข์งอนัตตาพรุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงหลักอริยสัจทั้งสี่เราทรงแสดงให้กับยัตสัเห็นไหมอนุปูพิกถาอ่าแล้วก็หลักอริยสัจทั้งสอ่า ระยัะสามก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพอฟังรอบที่สองก็ได้เป็นพระอาหารหันต์เห็นก็พูดถึงอานิสงส์ของการออกจากกามนีม่ตั้งใจบำเพ็ญเราสามารถออกจากกามได้ด้วยการเผาหนานใจในรักความสงบถ้าใจของเราไม่สงบถึงแม้ว่า เ, าเยากจะครองพระเหลืองอยู่จิตหวนคิดถึงแต่เรื่องกามนี่มันก็พอๆกันอยุ่พันแต่การที่เราเอากายออกจากกามนั่ะ มันส่งผลส่งอเ น, นสง์ให้เรามีโอกาสมากกว่าว่า ง, งั้นเถอะจึงมีอ น, นสงมากกว่าบารมีเนกธรรบารมีมันมากกว่าแล้วก็ทั้งทางทางัทง้ทงศิลทั้งภาวนาอ่าบารมีทั้งสิทธะเนี่ยเรามาอยู่ในเนกธมะบารมีเนี่ยเราสามารถทําได้พร้อมหมดทุกอย่างอ่าจึงคู่ควรกันกับที่เราเห็นโทเห็นภัยในวัฏสงสารและก็ ต, ตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตาม พยายามนิมนต์ให้มาหลายรอบแล้วไม่ได้มาแหละแต่คราวนี้ก็ปลีเมื่อเช้าก็ติดนู่นนายกโดนตอนเที่ยงมากติดอยู่น้องวศร์อีกมานี่อีกมานี่ก็ติดอยู่นู่นีกเนี่ยเนี่ยนี่ ว, ว่าว่าจะไม่ได้ค้างแน่ๆว่าจะกลับไปได้เนี่ยว่าจะกลับไปเนี่ยเี่ยมันติดอยู่ยนี่แหละก็เห็นใจหมูอย่างนี้แหละอืเห็นใจหมู่อืมได้ยินว่าทําสะพานด้วยทุกอยางลาบากกับ ข้ามน้ําข้ามสะพานมาพัดมาว่าหมูลอยฟังดอกอมาเห็นโอ้ดูตัวสะพานพันธ์เทศเนี่ยมีผลมีอันิสงอยู่ผลอันนิสงก็คืออะไรพวกเราได้ข้ามเห็นไหมสวัสก็ไม่สะดวกอถ้าใครไม่เชื่อเวลาน้ํามามากๆนะไอคนที่ไม่เชื่อให้เขาลองไปข้างล่างนะคนได้เชื่อลองขึ้นเดินบนสะพานมีไหมมีอันิสงหรือไม่มีลองดูสิ ใครไปรอยคออยู่ข้างล่างนะ่ยเอาแสดงว่าน้ําแรงใช่ไหมเวลาฝนตกมาจริงน้ําลงจากเขาเนี่ยน้ำน่าจะแรงนะอ่ะาเพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้มีผลมีอะไรส่งทงนั้นแหละใครไม่ได้เอาเรี่ยวแรงมาทําเห็นท่านทำแล้วก็ ท, าาท่านาสัตว์ทุกเรื่องปีติยินดีกับบุญกุศลของท่านเราก็พลอได้ด้วยใครดูแลประทับวัฒน ว, วัดวานนี่มาตลอดตั้งแต่ครูบาอาจารย์กีจะเอาบ้านมาแล้วก็ตามเธอ เราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจบําเพ็ญสมาธิตั้งใจบําบเพ็ญปัญญาทําอยู่นี้มาตลอดพวกเราไม่เสียท่าเสียทีเราอยู่ติดป่าติดเขาอยู่ป่าอยู่เขาเท่าไหร่ก็ตามกลายเป็นว่าเรามีโอกาสมากกว่าบางคนก็อยู่ในเมืองหลวงแต่แท้เนี่ยบางทีไม่มีโอกาสเลยบางทีโอ้มีแต่งานมาัดท่วมตัวเลยฮะโอกาสที่จะมาทําเหมือนเราไม่มีพวกเรายังมีโอกาสกูก้อยบ้างกมันบ้างอ้ามีเวลาใส่บาต ก่อนข้าวซะก่อนเนาะก่อนจะไปปู๋ยอ้ก่อนจะไปฟันอ้อยเรามีโอกาสมากกว่าอย่าเราอย่าคิดว่าเราหมดโอกาสเราไม่โอกาสนะเรามีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าหาเรามีโอกาสมากแล้วเราปล่อยโอกาสให้ล่วงไปโดยประซิจจาประโยชน์นี่คือเราทําลายประโยชน์ของเราเอง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะพอสมควรเกินเวลานะโอ้พูดมาระยะเวลาที่เนิ่นนานชั่วโมงยี่วิบนาทีแล้วนะเนี่ยพูดเรื่อยๆไม่ยอมดูนาฬิกาเนี่ยเหอายาวแล้วเกินทําไมนานจบแล้วเกินหลวงพ่อองค์นี้เนี่ยนะฟังพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่มีฐานประกอบชักเรื่องเลยไม่มีอะไรช่วยความสุขเลยท่านทั้งหลายลองไปฟังเพิ่มเติมความเข้าใจท่านจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ดี เรื่องข้อปฏิบัติเรื่องแนวปฏิบัติที่ละเอียดที่ลึกนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังยาพวกเราถ้าเจ้าพ่อไปแล้วพวกเราก็มีบุญนะพวกเราได้อยู่กับลูกตาได้ยินได้ฟังได้นุ่นได้นี่ได้อะไรทต่ไรเอออเป็นเป็นแนวเป็นแถวเป็นแบบเป็นฉบับทําให้พวกเรามีข้อถือเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติทําให้เราพอได้ก้าวมาพอได้มาพูดคุยธรรมะสู่มูเพื่อนฟังบ้างอ่า เออน่าจะพอสุขควรถึงเวลาแล้วนะอ้าเอวังท่นี้เอ